ขอแสดงประเภทของความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นชุดๆุดเช่นแห่งหนึ่งตรัสความสุขไว้13าคู่แม้ว่าในที่นี้จะไม่ได้ต้องการให้สนใจอะไรมากก็เอ่ยถึงไว้ให้ได้ยินเพื่อจะได้มองในแง่ที่ว่าความสุขสามารถแบ่งจาแนกออกไปได้มากมายสุข13คู่นี้เป็นความสุขในประเภทและในขั้นเดียวกันบ้าง คาบเกี่ยวเกยกันในระดับต่างๆบ้างท่านไม่ได้มุ่งในแง่จัดประเภทแต่ให้เห็นความเข้าชุดกันเป็นคู่คู่ยกตัวอย่างเช่นคู่หนึ่งกายกสุปกับเจตสิกกสุขกายกสุขคือความสุขทางกายเจตสิกกสุขคือความสุขทางใจอีกคู่หนึ่งสามิสุขกับนิรามิสุข สามิสุขคือความสุขอิงอามิตรสุขที่ต้องอาศัยการมวัตถุหรือขึ้นต่อสิ่งเสพนิรามิสสุขคือความสุขไม่อิงอามิตรไม่ต้องอาศัยการมวัตถุไม่ขึ้นต่อสิ่งเสพสุขในระดับเป็นอิสระอีกคู่หนึ่งขีหฮิสุขกับปัปปะชิตตสุขขี้ิสุขคือความสุขของครืหัดสุขแบบชาวบ้านปัปปะชิตตสุข คือความสุขของบัรปะชิตสุขแบบนักบวชอีกคู่หนึ่งการมาสุขและเนคขมมสุขการมาสุขคือความสุขจากกามสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายที่น่าใคร่น่าปรารถนาสุขกับการได้เสพเนคขมมาสุขคือความสุขปลีกหรือปลอดจากกามสุขปลอดโปรงจากสิ่งล่อเร้าเย้ยยวน สุขแบบสลัดออกไม่ยุ่งกับการได้การเอาที่ยกมานี้เพียงสี่คู่เพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างจะได้เห็นว่าความสุขมีมากมายพระพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้เห็นแง่มุมที่จะจำแนกแยกแยะดูความแตกต่างแบ่งได้หลากหลายถึงแม้บางแห่งจะแบ่งเป็นสุขสิบอย่างก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหลักสาคัญแต่เป็นข้อที่รู้ไว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 ก็โยงไปได้ถึงหลักในเรื่องพบภูมิโดยเฉพาะการแบ่งเป็นภูมิต่างๆคือการจัดตามระดับจิตและระดับชีวิตที่จะพัฒนาขึ้นไปอย่างที่รู้กันมาเป็นประเพณีว่าสัพพโลกนี้แบ่งเป็นภูมิต่างๆมากมายจัดได้เป็นสมระดับคือกามภูมิได้แก่ระดับที่ยังเกี่ยวข้องกับการรูปภูมิ ได้แก่ระดับรูปประมอรูปปรภูมิได้แก่ระดับอรูปประมเรียกรวมว่าไตรภูมิแล้วเหนือไตรภูมิมีอีกระดับหนึ่งคือโลกุตรภูมิได้แก่ระดับเหนือโลกภูมิในไตรภูมินี้หมายถึงโลกหรือแดนอันเป็นที่อยู่ของประดาศัตว์ที่มีชีวิตในระดับเดียวกันนั้นๆก็ได้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 ที่จะเข้าใจได้ง่ายก็แบ่งภูมิทั้งหมดให้เป็น3คือ 1. การมภูมิคือชั้นกามได้แก่ชั้นที่เกี่ยวข้องกับการ 2. รูปภูมิและอะรูปภูมิเรียกรวมกันเป็นชั้นพรม 3. โลกุตรภูมิคือชั้นเหนือโลกหรือชั้นโลกุตร เมื่อมองในแง่ความสุขก็จัดระดับได้เป็น 1. ชั้นกามคือระดับกามาสุขมีความเป็นเทพหรือสวรรค์เป็นอุดมคติคือมีการพัฒนาถึงขั้นที่มีการมาสุขอย่างเลิศแม้จะยังมีทุกข์ตามประษาปุตุชนแต่ว่างเว้นจากการเบียดเบียนไม่ต้องมีทันท่าอาจา่า 2. ชั้นพรมคือระดับชาณสุข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 คนทั้งหลายอยู่ในระดับการพัฒนาที่ต่า ง, างกันไปด้วยเหตุนี้โลกควรมีสภาพที่เอื้อต่อการอยู่ดีของเหล่าชนที่มีระดับการพัฒนาต่างๆกันและเกื้อนหนุนให้แต่ละคนพัฒนาตนยิ่งขึ้นไปได้ด้วยดีมเมื่อตั้งความสุขหรือสุขภาวะคือความเป็นสุขขึ้นเป็นจุดหมายของการศึกษามนุษย์ก็พึงพัฒนาตนสูงขึ้นไปในภูมิทั้งหลายที่ว่ามานั้น ให้เข้าถึงความสุขที่ประนีตสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปด้วยศีลและศึกษาพัฒนากายให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นคุณเป็นประโยชน์และพัฒนาศีลให้อยู่ในสังคมอย่างเกื้อกูลมีความสุขร่วมกันหรือผู้สั้นๆว่าพัฒนาด้วยทานและศีลก็จะเข้าถึงการมาสุขอย่างชาวสวรรค์พัฒนาตนให้สูงขึ้นไปในภูมิทั้งหลาย ให้เข้าถึงความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไปด้วยจิตศึกษาในสภาพแวดล้อมที่เอื้อนั้นพัฒนาจิตใจให้งอกงามในคุณธรรมโดยเฉพาะพรหมวิหารธรรมมีความเข้มแข็งมั่นคงและมีความสุขโดยมีสมาธิเป็นที่ตั้งก็จเจริญด้วยความสุขของจิตใจจนสามารถเข้าถึงชาลสุขได้พัฒนาตนให้สูงขึ้นไปในภูมิทั้งหลาย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 ที่ไร้ทุกข์เข้าถึงนิพพานสุขในขณะที่พวกชาวสวรรค์บันเทิงด้วยวัตถุและกิจกรรมทางการมสุขพวกชั้นพรมอิ่มอยู่กับความสุขทางจิตถึงขั้นชานสุขและพระอรหันต์ลุนิพพานสุขสมบูรณ์พ้นไปแล้วจากเยื่อใหยในอามิสสุขบุคคลโสดาบันเข้าถึงความสุขในสามภูมินั้นทั้งการมสุข ทั้งอธิย์จิตตะสุขและโลกุตรสุขโดยยังไม่ทิ้งอย่างหนึ่งอย่างใด